เรื่องผีหรือว่าเรื่องวิญญาณ น, นั้นนะคะทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นปรมนณูค่ะก็คือมีร่างกายแล้วก็มีจิตใจเหมือน ก, น, กนกันกับตัวของมนุษย์เราทุกๆอย่างนะคะเพียงแต่ว่าทางด้านของอพูดผีหรือว่าวิญญาณเนี่ยจะไม่มีกายหยาบเพราะว่าพวกเขาจะเป็นกายละเอียดแบบที่สายตามนุษย์อย่างเราๆไม่สามารถมองเห็นนอกจากผู้ที่มีดวงตาพิเศษหรือว่าผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิแก่กล้านะคะ ถึงจะมองเห็นแล้วก็สัมผัสได้มนุษย์ทั่วไปอย่างเราจะเห็นได้บ่อยก็มีเพียงแค่ผีที่หมายถึงศพคนตายมากกว่าค่ะสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นพืชเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อมีคนรู้จกักหรือว่ามีญาติพี่น้องก็จะต้องไปงานศพซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานนม งานศพของคนไทยเราก็จะมีการสวดศพ ส, บสบวันบ้างเจ็ดวันบ้างแล้วก็ชาปนากิจนะคะแล้วก็หลังจากที่ชา ป, ชาปนากิจเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเก็บอัฐิซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเก็บไปไว้ในโกรที่บ้านอีกส่วนหนึ่งก็จะนําไปลอยอังคารหรือว่าแม่น้านะคะหรือว่าจะเป็นทะเลพร้อมกับเท่าฐานค่ะเรื่องที่ B ีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของคุณแอค่ะ คุณแอลบอกว่าเป็นผู้ที่เคยประสบปัญหาเรื่องไปงานศพงานไหนงานนั้นเลยจะต้องเจอกับตัวเองเวลาคุณแอลไปงานศพเนี่ยนะคะเมื่อไปที่ตั้งศพแล้วก็ต้องไปจุดทูบบอกกล่าวกับศพให้เขาไปสู่สุขตินะคะหรือว่าจะเป็นภพภูมิที่ดีกว่านี้แล้วก็เพื่อขอขมาเขาเพราะว่าบางครั้งคนเราอยู่ด้วยกันคะ่ะหรือว่ารู้จักกันก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าเราเคยล่วงเกินอะไรกับคนที่ตายไปแล้วหรือไม่ แต่ก็เชื่อเถอะนะคะว่าน่าจะมีบ้างไม่มากก็น้อยละค่ะคุณแอลไปงานศพนะคะเมื่อไปจุดทูบบ่อกล่าวที่หน้าศพแล้วก็จะมานั่งที่เก้าอี้ที่ทางวัดจัดไว้ให้ถ้าพระยังไม่สวดคุณแอลก็จะนั่งคุยกันกับผู้คนแขกเรือที่มาในงานตามธรรมดาค่ะแต่เมื่อพระกำลังสวดศพหรือว่าสวดพระอภิธรรมทุกคนก็นั่งพนมมือฟังพระสวดขณะที่นั่งฟังพระสวดอยู่นั้นพลันขาของคุณแอลก็มีความรู้สึก เหมือนมีคนมาจับกระตุกอยู่แบบนั้นแหละถ้าหากว่าหันไปมองหรือว่าเอามือไปลูบขาข้างที่กระตุกอาการที่เป็นก็จะหายไปพักหนึ่งแล้วก็จะกลับมากระตุกอีกรอบหนึ่งค่ะก็เป็นอยู่เช่นนี้นะคะจนกว่าพระสวดเสร็จแล้วก็กลับบ้านขาก็จะหายกระตุกบางครั้งก็เป็นที่หัวเขา่าก็จะสั่นเหมือนกับมีคนมาจับเข่าสั่นอยู่อย่างนั้น แต่ว่าบางทีก็เป็นที่ปลายเท้าค่ะปลายเท้าสัน่นเหมือนกับมีคนจับเขยา่าเอ๊หรือว่าผีอาจจะมาทักทายเราก็ได้หรือว่าคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไร เมื่อตอนที่คุณแอลเป็นเด็กนะคะคุณแอลเนี่ยไปงานศพกับคุณแม่ซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะนิยมตั้งศพไว้ที่บ้านสวดพระอภิธรรมเสร็จแล้วก็จะเก็บศพไว้1ปีอันนี้ในในกรณีของผู้ที่ตายผิดธรรมชาติที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าที่เรียกว่าตายโงงนั่นเองนะคะก็จะค่อยๆเคลื่อนศพไปเผาที่วัดเมื่อครบกําหนด1ปีมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะคุณแอลยังอยู่ในช่วงวัยเด็กจําได้นะคะว่าไปงานศพคุณนายแรม ที่ต้องเรียกแกว่าคุณนายเนี่ยก็เพราะว่าสามีของคุณนายแรมเป็นคุณพระค่ะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ในสมัยก่อนชาวบ้านจึงเรียกติดปากกันแบบนั้นคุณนายแรมแกก็เอ็นดูคุณแอลค่ะเวลาที่คุณแอลไปที่บ้านนี่ก็จะให้ขนมนมเนยกลับมาบ้านเสมอเพราะว่าคุณนายแรมเนี่ยแกไม่มีหลานรุ่นเดียวกันกับคุณแอลนะคะซึ่งตอนที่คุณแอลกลับบ้านนี่ก็จะหูเรียกว่าหอบขนมกลับมาตุ้ปัด๊ดตุ้เป๊ เพราะว่าคุณนายแรมแกก็เอนดูรักใคร่ลูกสาวหรือว่าจะเป็นหลานสาวของคุณนายเองก็โตหมดแล้วเรียนอยู่ระดับมหาวิทยาลัยค่ะแต่ว่าคุณแอลเนี่ยยังอายุแค่สิขวบคุณนายแรมก็ชอบดอกจำปีเมื่อคุณแม่ไปหาไปเยี่ยมเยียนคุณนายก็จะหาดอกจำปีไปฝากคุณนายแรมเสมอเมื่อคุณนายแรมเสียชีวิตนะคะเขาก็ตั้งศพไว้ที่บ้าน บ้านหลังนั้นเป็นบ้านไม้ใหญ่โตค่ะศพที่ตั้งไว้อยู่ในห้องห้องหนึ่งของบ้านนะคะซึ่งก็ใหญ่พอสมควรค่ะวันนั้นคุณแอวกับคุณแม่ไปงานศพคุณนายแรมบังเอิญดอกจำปีเนี่ยไม่มีก็เลยไม่ได้เอาไปด้วยเมื่อคุณแอลกับคุณแม่นะคะเข้าไปจุดธูปบอกกล่าวศพเรียบร้อย<ๆ>ก็มานั่งกับพื้นอยู่ที่หลังห้องนะคะก็ถอยออกมามุมด้านขวาแต่ว่าขณะที่พระกําลังสวดพระอภิธรรมอยู่ค่ะจบที่สาม กลิ่นดอกจำปีนี่มาจากไหนก็ไม่รู้ปลิวฟรุ้งเข้าจมูกของคุณแอลอย่างแรงจนคุณแอลเนี่ยถามคุณแม่ว่าได้กลิ่นดอกจำปีไมแ ม, แม่แม่ก็บอกว่าได้แต่ว่าถามคนอื่นๆดูซิเขาได้กลิ่นกันไหมคุณนาอาคุณคุณแอวเนี่ยก็เลยไปถามคนอื่นๆดูนะคะ คนอื่นก็ไม่ได้กลิ่นกันค่ะก็เลยหันไปดูที่หน้าศพว่าจะมีดอกจําปีตั้งอยู่หรือไม่ก็ไม่มีดอกจําปีเลยสักดอกแสดงว่าวันนั้นดอกจําปีเนี่ยขาดตลาดจริงๆไม่อย่างนั้นแล้วจะภาพคงต้องหาดอกจําปีมาไว้หน้าศพเพราะว่าคนตายเนี่ยชอบดอกจําปีเป็นชีวิตจิตใจ คุณแอลแล้วก็คุณแม่ก็เลยพูดกันค่ะว่าสงสัยคุณนายแรมแกมาทวงดอกจำปีดังนั้นรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งสองคนแม่ลูกเนี่ยก็เลยไปงานศพคุณนายแรมค่ะคุณแม่ก็ต้องไปหาซื้อดอกจำปีมาไว้ผ่านหนึ่งเพื่อเอาไปไว้หน้ า, พาศพพอเสร็จพิธีสวดกลับไปบ้านค่ะมีอยู่คืนหนึง่งก็ฝันเลยคืนวันนั้นแหละนะคะหลังจากกลับมาจากงานศพ ฝันไปนะคะว่าคุณแอวกับคุณแม่เนี่ยได้ไปพบกันกับคุณนายแรมก็เหมือนกับตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่ซึ่งคุณนายแรมบอกว่าขอบใจนะที่เอาดอกจำปีมาให้แบบนี้คุณผู้ฟังคิดว่าอย่างไรคะคิดว่าวิญญาณมาบอกเราหรือเปล่าหรือว่าคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญ มีเหตุการณ์ประหลาดเหตุการณ์นหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นกับคุณแอลเหมือนกันเมื่อคราวที่ไปงานศพคุณมนตรีจีนปุ๋ยเพื่อนสนิทในแผนกเดียวกันซึ่งเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปี2534ที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีค่ะทุกคนไปฟังงานสวดพระอภิธรรมพอไปถึงหน้าศพก็จุดธูป บ, บอกกล่าวแล้วก็มานั่งเก้าอี้นอกศาลาเจ้าภาพก็บอกว่าศาลาข้างในเนี่ยมีเก้าอี้ว่างมากมายหลายตัว ทุกคนก็เลยเดินเข้าไปนั่งที่ด้านหลังนะคะซึ่งตอนเข้าไปเนี่ยยังไม่ได้กลิ่นอะไรเลยแต่ว่าพอคุยกันไปสักพักหนึ่งคุณแอลได้กลิ่นน้าอบไทยฟุ้งกระจายมาเป็นระลอกก็เลยรู้สึกได้ชัดเจนแต่ก็เฉยซะในใจก็บอกว่าให้เพื่อนไปอยู่ที่ที่ดีที่ที่สุขติภูมิด้วยเถิดกลิ่นน้ำอบไทยก็ยังคงอยู่ค่ะแต่ว่าเมื่อพระสวดเสร็จ ทุกคนก็เดินทางกลับบ้านกลิ่นน้ำอบก็ตามไปถึงประตูหน้าวัดเลยนะคะแล้วก็หายไปคุณแอ ล, แอลก็เลยอธิษฐานบอกว่าได้กลิ่นน้ําอบกันไหมทุกคนในคืนนี้พี่พรค่ะเพื่อนรุ่นพี่ที่ไปด้วยก็เลยพูดขึ้นมาค่ะว่ามนตรีเนี่ยมาส่งเราถึงหน้าวัดเชียวพอพวกเราเดินออกจากประตูวัดเพื่อนคนที่ชื่อหมีก็บอกหนูได้กลิ่นเหมือนกันพี่แต่สักพักกลิ่นน้ําอบไทยก็จางหายไปส่วนงานศพพี่ปริยา คุณแอลได้กลิ่นดอกกุหลาบค่ะพี่ปรียานี่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเช่นเดียวกันหลังจากมีการสวดพระอภิธรรมที่วัดใหม่ครบเจ็ดวันและก็เลยเก็บศพไว้หนึ่งปีแต่ก็จะมีการสวดพระอภิธรรมทุกเดือนค่ะเดือนละหนึ่งครั้งทุกครั้งที่มีการสวดพระอภิธรรมเนี่ยทุกคนจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนอกจากคุณแอลนที่จะได้กลิ่นดอกกุหลาบโชยมาเตะจมูกหอมฟุง้ง จนกลายเป็นความเคยชินค่ะว่าพี่ปรียานี่มาทักทายเราแล้วก็เลยตั้งจิตอธิษฐานไปให้พี่ปรียาเนี่ยไปสู่สุขติภูมิมีพระนิพพานเป็นแดนเกิดจนกระทั่งกลับบ้านกลิ่นกุหลาบก็ยังตามมาถึงหน้าบ้านนี่ก็แสดงว่าพี่ปรียานี่ตามมาส่งถึงหน้าบ้านเชียวนะคะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะคุณแอลพี่เพชรและก็พี่อ้อยไปเยี่ยมแจวคลอดบุตรที่โรงพยาบาลหัวเฉียวทุกคนค่ะไปกันตอนเย็นหลังเลิกงาน เมื่อไปถึงก็พูดคุยกันนะคะเร่าๆสักสองทุ่มกว่าก็พากันกลับส่วนอ้อยเนี่ยเขากลับเองพี่แอลแล้วก็พี่เพชกลับรถแท็กซี่นะคะพอเรียกรถแท็กซี่จากหน้าโรงพยาบาลหัวเฉียวพี่แอลเองก็ไปกับพี่เพชค่ะก็ขึ้นไปนั่งแล้วก็คุยกันถึงเรื่องต่างๆก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติจนเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีก็ได้กลิ่นอับๆโชยมาพี่แอก็เลยถามพี่เพชว่าได้กลิ่นอะไรม พี่เพชรบอกเออได้กลิ่นเหมือนกันแล้วกลิ่นนั้นก็แรงขึ้นแรงขึ้นนะคะแต่ที่สัมผัสได้ในวันนั้นก็คือกลิ่นซากศพเป็นกลิ่นแรงมากจน2คนที่ไม่กล้าจะพูดอะไรเลยเพราะว่ากลัวกลิ่นมันจะเข้าปากนะคะคุณแอวก็เลยแข็งใจล่ะถามพี่ที่ขับรถแท็กซี่บอกพี่ได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าคะคนขับแท็กซี่บอกไม่ได้กลิ่นอะไรเลยครับ เขาตอบเพียงแค่นี้ก็ไม่ได้พูดอะไรอีกซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องผิดปกติมากค่ะแต่ว่าสองคนเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านไฟฟ้ามืดบ้างสว่างบ้างก็ทำให้รู้สึกวิววิวชอบกลอยู่กลิ่นในรถแท็กซี่ก็แรงขึ้นแรงขึ้นจนกระทั่งคุณแอลแล้วก็พี่เพจก็เวียนเวียนหัวมากต้องนั่งตัวแข็งไม่กล้าขยับขยื่นใช่ะพอรถเลี้ยวมาถึงหน้าตลาดพี่แอลก็เลยบอกพี่เพจบอกว่า พี่เพชรเราลงตรงนี้เถอะพร้อมกันนั้นค่ะก็เลยบอกให้คนขับเนี่ยจอดรถที่หน้าตลาดคนขับรถแท็กซี่ถามว่าทำไมไม่ไปลงที่ที่บอกไว้ครั้งแรกล่ะคุณแอลก็เลยบอกว่าเราจะลงซื้อของที่นี่จากนั้นก็พากันลงจากรถด้วยความอกสันขวัญเสียกับกลิ่นประหลาดนั้น กลิ่นที่ทั้งสองคนได้สัมผัสวันนั้นก็คือกลิ่นของผีชัดๆค่ะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นสาบสางยิ่งนานยิ่งแรงขึ้นจนไม่กล้าที่จะอ้าปากพูดเพราะว่ากลัวกลิ่นเนี้ยมันจะเข้าไปในปากคืนวันนั้น คุณแอลใจหายใจคว่ำจนถึงบ้านหรือใครบ้างที่จะไม่กลัวเมื่อเจอแบบเดียวกันเข้าไปนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทํางานคุณวิชัยเนี่ยเป็นพนัก ง, งานออฟฟิศของบริษัทหนึง่งมีหน้าที่เดินหนังสือเขาเป็นคนนิสัยดีค่ะแล้วก็ทํางานอยู่ที่นี่หลายปีจวบจนกระทั่งคุณวิชัยแกป่วยเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นทางเดินอาหารไม่ปกติซึ่งบางครั้งขับถ่ายไม่รู้สึกตัวจนมีกลิ่นออกกระปิดกระปอยค่ะหรือบางคนที่เรียกว่าหูรูดไม่ ปิดนั่นแหละนะคะแกก็ไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านอาการเจ็บป่วยของคุณวิชัยเป็นอยู่นานหลายเดือนแกก็ได้เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลที่จังหวัดลาปางหลังจากที่คุณวิชัยเสียชีวิตแล้วไม่นานค่ะคุณแอลก็ได้กลิ่นแปลกๆในออฟฟิศอยู่เสมอบางครั้งตอนเช้านะคะเมื่อเข้ามาทำงานบางทีก็เป็นช่วงบ่ายเป็นกลิ่นเหม็นเหมือนคนขับถ่ายอุจจาระบางครั้งก็จางบางครั้งก็แรง ก็เลยนึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะพี่วิชัยต้องมาหาแน่นอนบางทีอาทิตย์หนึ่งก็ได้กลิ่น 2- องสหนุนพี่แอลก็เลยได้กลิ่นเนี่ยจนชินค่ะแล้วก็รู้ว่านั่นคือคุณวิชัยต้องมาเยี่ยมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอให้คุณวิชัยไปสู่สุขติแล้วก็แผ่กุศลให้และกลิ่นนั้นก็ค่อยๆจางหายไปค่ะปัจจุบันนี้ คุณแอลบอกว่ายังคงได้กลิ่นอยู่บ้างแต่ว่านานๆครั้งพอได้กลิ่นก็รู้ทันทีนะคะว่าคุณวิชัยเนี่ยมาหาเราแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะเคยประสบเหตุการณ์เช่นนี้บ้างไหมซึ่งตัวของบีเองคิดน ะ, ะว่าบางท่านก็คงจะเคยเจอละแล้วก็อาจจะเจอยิ่งกว่าพี่แอลซะด้วยถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นก็แสดงนะคะว่าผีเนี่ยมีอยู่จริงเพียงแต่ว่าใครจะสัมผัสกับเขาได้เท่านั้นเอง มีคำพูดที่ว่าคนเดินทางเท่านั้นที่จะมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใส่ชีวิตเรื่องนี้บีไม่มีข้อเท็จจริงยืนยันนะคะแต่ว่ามีคำบอกเล่าที่ได้รับการบอกต่อจากผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักเดินทางมากมายซึ่งทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าประสบการณ์ที่ได้ระหว่างท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆสร้างให้เกิดชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆ เหมือนกับหนังสือค่ะถ้าได้ยิ่งอ่านผ่านไปแต่ละหน้าก็จะยิ่งได้ความรู้มากขึ้นเป็นทวีคูณก็เช่นเดียวกันกับการเดินทางเพื่อค้นหาประสบการณ์ซึ่งแต่ละวันที่ได้พบเจอกับเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆหรือแม้แต่ผู้คนมากมายก็จะทำให้ประสบการณ์ที่สั่งสมอยู่ในตัวเนี่ยเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆทั้งประสบการณ์ที่หาได้ตามหนังสือและประสบการณ์ชีวิตที่สอนให้เรารับทราบรับรู้ระหว่างเดินทางเพื่อท่องโลกนั้น ล้วนแต่เป็นสมบัติล้ำค่าที่หาซื้อไม่ได้ด้วยเงินค่ะและไม่ใช่ทุกคนที่จะพบเจอกับเรื่องราวเหล่านี้แง่มุมของชีวิตอีกด้านหนึ่งที่นักเดินทางโดยมากมักจะเจอะเจอกันตลอดรายการที่เดินทางไปนอกจากจะเป็นประสบการณ์จากผู้คนจากป่าเขาที่นำมาซึ่งความประทับใจแล้วยังมีเรื่องของเหตุชวนหัวเราะและก็เกร็ดชีวิตเล็กๆน้อยๆที่หยิบฉวยแล้วก็พอจะพบเจอได้ตลอดทางค่ะ และก็มีอยู่ไม่น้อยเลยที่มักจะเจอกับเรื่องราวแปลกประหลาดที่แทรกเข้ามาในจังหวะชีวิตช่วงนั้นหรือตามภาษาพระที่เรียกช่วงชีวิตนี้ว่าช่วงชีวิตที่จิตอ่อนแอดังที่คนโบราณถือกันคขาว่าคนที่มีช่วงชีวิตเช่นนี้เนี่ยมักจะเจอกับเรื่องราวประหลาดเรื่องผีผีหรือว่าเรื่องของจิตวิญ ญ, ญาณได้ง่ายกว่าคนจิตแข็ง ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของนักเดินทางคนหนึ่งค่ะซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางจนนำมาซึ่งภาพหลอนที่มักจะเจออยู่บ่อยครั้งในความฝันเรื่องของเธอผู้นี้ได้รับการถ่ายทอดมาหลังจากที่เธอเนี่ยได้พยายามเข้าหาทางพระแล้วก็เพิ่งหาเพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขจัดความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้หมดไป คุณภภพันธ์สุภาถาววรหรือที่น้องๆที่ร่วมงานกันเรียกขานว่าพี่ปลาค่ะคนนี้จัดว่าเป็นยอดนักเดินทางคนหนึ่งที่ใครๆก็รู้นะะว่าเคยไปมาหมดแล้วทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกตะวันตกหรือที่ไกลๆ ล, ลำบากเพียงใดแกก็พยายามดันด้นไปให้ถึงค่ะ หากมีใครติดใจสงสัยก็พยายามเรียบเคียงถามถึงนิสัยในการชอบกระเดินทางของแกเป็นการส่วนตัวแกก็จะตอบด้วยน้ำเสียงภูมิใจบอกว่ามันเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่วัยเด็กที่อยากท่องในโลกกว้างและยิ่งที่ไหนที่ใครว่ายากว่าไกลแกก็รู้สึกว่าต้องไปให้ถึงให้ได้ซึ่งทุกวันนี้แทบจะเรียกได้ในหวไม่มีแห่งไหนในประเทศไทยที่แกไม่เคยไป พี่ปลาเล่าค่ะว่าตอนที่แกตัดสินใจขึ้นไปเที่ยวป่าทางเหนือนั้นแกจองตั๋วรถนอนเป็นรถไฟชั้นสองเที่ยวสี่ทุ่มโดยในตอนที่เดินทางไปถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติหรอกนะคะจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่นายสถานีประกาศเวลารถจะออกแกก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊รถไฟขบวนที่แกกาลังนั่งอยู่เนี่ยผู้คนในรถเหมือนไม่มีชีวิตชีวายังไงบอกไม่ถูก ทุกคนดูเสื่องซึมไม่กระตือรือร้อนเหมือนคนที่กำลังจะเดินทางเลยแต่ว่าความรู้สึกผิดแปลกนั้นก็หายไปนะคะหลังจากที่รถเริ่มเคลื่อนขบวนและพี่ปลาก็ตัดสินใจเข้านอนโดยไม่ลืมหยิบหนังสืออ่านเล่นเล่มโปรดมานอนอ่านเล่นด้วยเมื่ออ่านหนังสือไปได้พักใหญ่พี่ปลาก็เริ่มง่วงนอนแล้วค่ะแกก็เลยมองออกไปที่หน้าต่างเพื่อดูว่าถึงไหนแล้ว แต่ว่าภาพที่เห็นแทนที่จะเป็นแสงไฟราไรจากบ้านช่องที่ผ่านตากลับเป็นเงาภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่มองเห็นหน้าไม่ชัดมากแต่รู้ได้นะะว่าเป็นหญิงสาวผมยาวหน้าตาแบบสยะยิ้มนากลัวใส่ล่องลอยอยู่ด้านนอกของหน้าต่างรถไฟนะคะ ในตอนแรกที่เห็นภาพนั้นพี่ปลาก็คิดว่าโอ้ยตาฝาดแน่นอนแต่เมื่อผู้หญิงในภาพเริ่มแยะยิ้มอย่างน่ากลัวให้เห็นเต็มตาอีกครั้งหนึ่งแกก็เลยรู้ได้ทันทีค่ะว่าภาพนั้นไม่ใช่ภาพหลอนละความกลัวก็เลยพุ่งขึ้นแต่ด้วยความที่ขามันก้าวไม่ออกแกก็เลยตะโกนร้องให้คนช่วยเจ้าหน้าที่ประจาตู้ขบวนที่อยู่ใกล้กันก็เลยเดินแกมวิ่งเข้ามาร้องถามแกบอกว่าเกิดอะไรขึ้นครับ พี่ปลาก็หันไปมองภาพที่หน้าต่างอีกครั้งแต่ไม่เห็นอะไรผิดปกติแล้วนะคะแกก็เลยบอกเจ้าหน้าที่รถไฟนะคะบอกไม่มีอะไรค่ะอเผอิญว่าสักครู่นี้แมงมุมตัวใหญ่เกาะอยู่ที่หน้าต่างก็เลยตกใจไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรละขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้ตกใจเมื่อทุกคนแยกย้ายกันไปพี่ปลาก็กลับเข้านอนตามปกติค่ะแต่ว่าภาพที่เห็นก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังฝังใจอยู่จนยากที่จะขมตาหลับได้ ซึ่งตามปกติพี่ปลาเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางนางไม้เท่าไหร่นะแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ยากที่จะหาเหตุผลมาหักล้างได้นะคะหลังจากพยายามคิดวกวนไปมาอยู่หลายรอบที่สุดพี่ปลาก็เผลอหลับไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเมื่อกะตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฟ้าข้างนอกมันก็สว่างไปหมดแล้วและอีกไม่กี่ชั่วโมงค่ะรถไฟก็ถึงจุดหมายปลายทาง เมื่อขบวนรถไฟชะลอความเร็วเข้าจอดบริเวณชานชาลาเป็นจุดหมายพี่ปลาก็ขนสัมภาระลงจอดลงจากรถด้วยท่าทางอิดโรยแต่ด้วยความตื่นตัวค่ะที่จะได้ท่องเที่ยวกลับทําให้แกเนี่ยลืมเลือนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ไปจนหมดพี่ปลาใช้เวลาเที่ยวบุกบันอยู่ในป่านานเกือบ5้าวันหลังจากนั้นก็เก็บข้าวของเพื่อเดินทางกลับโดยอาศัยรถไฟกลับเหมือนตอนที่เข้ามาค่ะ แล้วก็ไม่รู้ว่าแกคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าทันทีที่พี่ปลาก้าวขึ้นรถไฟขบวนที่จะมุ่งหน้ากลับกรุงเทพค่ะแกก็รู้สึกได้ว่าเอ๊รถไฟขันขบวนนี้เนี่ยทำไมมันเหมือนขบวนเดียวกันกับตอนที่ขามาเลยที่สําคัญและน่าแปลกคือเลขที่นั่งขากลับก็เป็นเลขเดียวกันกับขามาเหมือนมีใครจับคู่ให้แต่ว่าขณะนั้นความรู้สึกขยาดกลัวถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นก็กลับมารบกวนกันอีกครั้งละค่ะและมัน ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรู้สึกสถานกลัวเพราะความคิดของตนเองเท่านั้นเพราะว่าเมื่อตกกลางคืนค่ะประมาณสักสองยามเห็นจะได้ในคืนที่เดินทางกลับนั่นเองเหตุการณ์ประหลาดก็ได้เกิดขึ้นกับแกอีกครั้งหนึง่งพี่ปลาบอกว่าเมื่อแกรู้สึกง่วงก็เลยเข้านอนแล้วก็พยายามข่มตาให้หลับเพื่อหนีภาพอันไม่พึงประสงค์แกต้องใช้เวลาอยู่นานพอสมควรว่ากว่าจะข่มตาหลับได้นะคะ แต่เมื่อหลับลึกไปแล้วสิ่งที่พี่ปลากลัวกลับเข้ามาในความฝันนั่นคือภาพของผู้หญิงคนเดิมที่มีใบหน้าเสยยิ้มหน้ากลัวค่ะเข้ามาหาในความฝันของแก เธอคนนั้นไม่พูดอะไรได้เพียงแค่มองหน้าและแสยะยิ้มให้พี่ปลาจนเห็นฟันแบบสีเข้มราวกับสีเลือดนะคะและเมื่อถึงตอนนี้พี่ปลาสะดุ้งตื่นสุดตัวค่ะแกตื่นมาขณะท้องฟ้าข้างนอกหน้าต่างนะี่ยังมืดอยู่มากแกก็เลยตัดสินใจเดินไปล้างหน้าที่ห้องน้ําทางตอนท้ายของตู้ขบวนรถไฟและขณะที่กําลังก้มหนะ้าก้มตาร้างหน้าอยู่นั้นแกก็ได้ยินเสียงเยือกเย็นของผู้หญิงลอยมาจากทางหน้าต่างขานเรียกชื่อจริงของพี่ปลาได้อย่างน่าขนลุกเรียกว่า นภพันประมาณนี้นะคะเสียงเรียกชื่อจริงของพี่ปลานี่เย็นเฉียบจับขั้วหัวใจและเมื่อเสียงนั้นกระชั้นเข้ามาใกล้พี่ปลาก็เลยตัดสินใจค่ะหลับหูหลับตาวิ่งกลับไปที่เตียงค่ะในตู้นอนของแกแล้วก็ล้มลงควานหาพระเครื่องที่แกเช่ามาจากวัดทางภาคเหนือ ที่อาพี่ปลาก็พนมมือสวดมนต์แล้วก็หลับตาระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าที่สามารถนึกได้ตอนนั้นโดยไม่ลืมที่จะหยิบพ่อห่มขึ้นคุมโปงซึ่งตลอดเวลาแกตื่นกลัวอย่างบอกไม่ถูกจนเมื่อเผลอหลับไปอีกครั้งและตื่นขึ้นมาในรุ่งเช้าของอีกวันอาการขนพองสยองกล้าวที่เกิดขึ้นก็หายไปและเมื่อกลับมาถึงบ้านที่กรุงเทพเรียบร้อยพี่ปลาก็เลยได้เล่าเรื่องนี้ให้คนที่บ้านฟังและทุกคนก็แนะนําว่าให้ไปทําบุญตักบาตร โดยให้เหตุผลค่ะว่าอาจจะเป็นวิญญาณที่เราไปลบหลู่เขาโดยไม่ตั้งใจเขาก็เลยตามมาทวงถามและเมื่อพี่ปลาทำตามคำแนะนำนั้นก็ปรากฏนะคะว่าภาพหลอนและก็เสียงเรียกชวนขนหัวลุกที่เคยเจอได้หายไปและไม่ย้อนกลับมารบกวนแกอีกเลยค่ะ หมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยนะคะเผื่อมีคลิปใหม่อัพลงมาคุณผู้ฟังจะได้ไม่ต้องพลาดเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ